สอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการฟู้ดเดลิเวอรี่ผู้เดำเนินรายการนัทชรัตแพรกุลและนัทพลดีปุตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลกนิททองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกลับมาพบกับผมนัทพลดีอุดนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์ตนะครับและมีอาจารย์นัชรัตน์เพ็กรุณอาจารย์จากสาขาหัตถการคณะเทคโนโลยีข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาร่วมพูดคุยนะฮะในรายการของเราตลอดมานะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณฟังอาจารย์นัชรัตน์นะครับไม่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราเพราะว่าติดภารกิจ แต่ว่าผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังเช่นเคยอย่างทุกสัปดาห์ทั้งสี่ช่วงของรายการเลยทั้งเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวเมนูนักคิดนะครับกุยข้างครัวรวมถึงเปิดหม้อนะครับก็มีเมนูต่างๆมาฝากคุณฟังเช่นเคยนะครับคุณฟังครับวันนี้นะฮะเรามาเริ่มต้นดาวต้นของรายการกับ เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวผมมีเรื่องราวของเที่นอาหารและเครื่องดื่มในปี2020มาฝากคุณฟังนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าเที่นอาหารเพื่อสุขภาพยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนอกจากการรับประทานอาหารแบบ keto จีนิกนะครับหรือการกินแบบ intermittent fasting หรือว่า IF นะครับที่พูดถึงอยู่ตลอดปีสองพันสิบเก้าแล้วนะครับซึ่งในปีสองพันยี่สิบนี้ยังมีแทนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือโปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่นะครับโดยมีการประมาณการนะครับว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมีมูลค่าประมาณแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบแปดล้านบาทโดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและ นมพืชซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่วเหต็ดและสาหร่ายรวมถึงการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะเมล็ดถั่วนะครับตลอดจนโปรตีนการหมักเชื้อจุลินทรีย์มีมูลค่าประมาณหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทและอย่างคาดการณ์ น, นะครับว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง จะมีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาทหรือมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบจากปี 2,561 นะครับโดวยกลุ่มโปรตีนจากพืชและหนุ่มพืชจะมีมูลค่าประมาณ 6,725 ล้านบาทและมีแนวโน้มการขยายตัว 6.4% ตามความนิยมการบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อการสร้างสมดุลผู้ชนะการแทนเนื้อสัตว์นะครับโดยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงการรักษาสุขภาพเพื่อความ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับส่วนการเกิดเนื้อไรเนื้อหรือพเพรสเบสเซ็ดฟู้ดนะครับจะกลายเป็นเมกะเทรนของอนาคตเนื่องจากเป็นโปรตีนที่ไม่สร้างมลพิษในขั้นตอนการผลิตทั้งยังดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นใจความสำคัญของการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่โรคต่างๆเริ่มพัฒนาและต่อต้านการรักษาได้มากขึ้นนะครับเมื่อประกอบกับการคาดการณ์ถึงภาวะขาดแคลนเนื้อสัตว์ อันเนื่องมาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเนื้อที่ใช้ในวิธีการปลูกขึ้นมา จึงจะกลายเป็นอาหารหลักในไม่ช้านะครับลดน้ำตาลเพิ่มความหวานที่ดีต่อสุขภาพอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่จะมาในปี2020เพราะกระแสรักสุขภาพของภาคประชาชนและการขึ้นภาษีน้ำตาลของภาครัฐเริ่มส่งผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งตลาดอาหารและตลาดเครื่องดื่มที่มีรสหวานเลยต้องลดการใช้น้ำตาลที่มีปริมาณที่น้อยลงมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพื่อตอบรับกับพฤติภพพฤติกรรมของผู้บริโภคและควบคุมต้นทุนการผลิตไปพร้อมๆกันรวม รวมถึงการมุ่งมั่นผลิตสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อชิงเปิดตลาด สินค้ากลุ่มที่มีรสชาติไม่หวานก่อนแบรนด์อื่นๆนะครับโดวยในขณะเดียวกันก็ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างความหวานที่ดีต่อสุขภาพเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความหวานเพื่อความรื่นรมในการทานอาหารอยู่อย่างเช่นการเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาลเพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิมซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติหวานเท่าเดิมอาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40% และอีกหนึ่งเทนนั่นก็คืออาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเทนที่คนจะนิยมในปีสองพันยี่สิบนะครับเพราะเป็นเทนอาหารที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่จะยังคงอยู่ตามกระแสรักสุขภาพที่เป็นเมกกะเทนในตอนนี้โดวยคำนึงถึงปัจจัยห้าประการนั่นก็คือมีปริมาณน้ำตาลน้อยไขยมันรวมต่ำมีใ ย, ยอาหารและมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอโดยมี การคาดการณ์นะครับว่าตลาดอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเหรียญสหรัฐในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนนะฮะรุ่นอายุประมาณแปดถึงสามสิบสี่ปีที่ได้รับ ที่รับกระแสรักสุขภาพแรตหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหารรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและกลุ่มเบบี้บูมที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบเก้าปีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้เหมาะสมตามไหวัยนะครับมามาถึงอีกหนึ่งเทนนะฮะกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุและพัฒนาการแบบเฉพาะบุคคลโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประชากรโลกทำให้สถานการณ์ของศักย์กรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้นครับ คุณนุ่งฟังโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก900ล้านคนในปีนป2015 เป็น 2,000 ล้านคนในปี 2,500 หรือจากร้อยละ12เป็นร้อยละ22ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดด้านประเทศไทยในปี 2,565 เองนะครับประมาณการว่าจะมีผู้สูงอายุไวัย70มากถึง6 4.6 ล้านคนซึ่งนำมาซึ่งความต้องการด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพไวัยและโรคประจำตัวซึ่งจะต้องลดความหวานเค็มมันและเสริมโปรตีนเสริมแคลเซียมและที่สำคัญต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายด้วยนะครับและอีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่กำลังมานั่นก็คือ วัตถุดิบและส่วนผสมจากท้องถิน่นสืบเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ริโพกที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือความแปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มนะครับส่งผลให้อุตสากรรมการอาหารและเครื่องดื่มต้องมองหาวัตถุดิบที่มีส่วนผสมที่มีในเฉพาะบางพื้นที่เข้ามาใช้ในอุตสากรรมโดยคุณค่าความเป็นท้องถิ่นจะช่วยสร้างมูลค่าของสินค้าได้มากยิ่งขึ้นส้มบางสายพันธุ์ข้าวบางสายพันธุ์กล้วยบางสายพันธุ์หรือแม้แต่กระทั่งการเพราะปลูกเกี่ยวเกี่ยวในการผลิต เฉพาะบางพื้นที่ล้วนสร้างเรื่องราวและคุณค่าได้อย่างมหาศาลนะครับอีกหนึ่งเทรนนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มสีใสแต่งกลิ่นแต่งรสด ส, ดสดชื่นนะครับโดยเมื่อตลาดเครื่องดื่มเริ่มอิ่มตัวการสร้างสรรค์สินค้าใหม่จึงเป็นอีกทางออกที่สร้างมูลค่าได้อย่างน่าสนใจครับคุณผู้ฟังโดวยวอเทอร์พลาสต์หรือเครื่องดื่มสีใสแต่งกลิ่นแต่งรสและให้ความสดชื่นเกิดขึ้นมาเพื่อทำตลาดใหม่หลังจากที่ตลาดเดิมอย่างน้ำอัดลมกำลังถึงจุดอิ่มตัวจากกระแสคนรักสุขภาพซึ่งสีใส ของ waterplus นะครับจะช่วยให้ความรู้สึกเป็นเครื่องดื่มที่ใกล้เคียงกับน้ำเปล่าด้วยในขณะเดียวกันก็ให้รสชาติและความสดชื่นจากการปรุงแต่งผ่านส่วนผสมด้วยการแข่งขันของตลาดนี้กำลังคึกคักเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของแบรนด์บนชั้นวางเครื่องดื่มที่มีสีใสอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะครับอีกหนึ่งเทนนะฮะที่นำมาฝากนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มสุขภาพหรือเครื่องดื่มบำรุงสมองเสริมการทำงานของลำไส้และเพิ่มความงามนะครับผู้บริโภคเครื่องดื่มกำลังมองหาสินค้าที่มีน้ำ น้อยไปจนถึงไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติอร่อยพร้อมๆกับถังเลือกเพื่อสุขภาพนะครับโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงถูกคิดค้นมามากมายในยุคสมัยนี้นะครับโดยเทรนที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นคือการเพิ่มส่วนผสมบำรุงสมองและการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคทุกๆกลุ่มวัยนอกจากนี้การเติมโพลิไบโอติกและพีไบโอติก นะฮะรวมไปถึงเส้นใยเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบลำไส้ก็อยัางเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอันเนื่องมาจากการแก้ปัญหาในการทานผักและผลไม้น้อยตามไลฟสไตล์ที่เร่งด่วนปิดท้ายกับการเติมส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของความงามและการชะลอวัยเข้าไปอย่างเช่นคอลลาเจนซิงวิตามินซีที่แพร่หลายอยู่ใน อาหารและเป็นเครื่องดื่มในปัจจุบันนะครับรวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำมะพร้าวนะครับเพราะว่าปัจจุบันถือเป็นยุดเฟื่องฟูของการดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพโดยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ GDP และชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมกับปัจจัยหนุนจากอากาศร้อนนะครับที่ทวีแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นมาทุกวันทำให้ปัจจุบันนะครับน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นที่ต้องการในตลาด เป็นอย่างมากโดวยมีน้ำมะพร้าวบรรจุขวดเป็นดาวรุ่งของวงการจากการแจ้งเกิดแบรนด์น้ำมะพร้าวมากมายในตลาดที่ ในช่วงที่ผ่านมานะครับและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากแนวโน้มของตลาดน้ำมะพร้าวทั่วโลกที่คาดว่าจะมีการเติบโตที่สูงมากนะครับถึงร้อยละยี่สิบหกจุดแปดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามและมูลค่าถึงสองจุดเก้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐโดวยประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาใต้เป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการคาดการณ์กันว่ามูลค่าน้ำมะพร้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันห้า 520นี้นะครับและเทรนด์สุดท้ายของการบริโภคอาหารในปี2020นะครับนั่นก็คือเทรนด์การแปลรูปมะแรงมลงแมลงถือเป็นอาหารโปรตีนสูงมากนะครับที่สามารถบริโภคทดแทนเนื้อสัตว์ได้โดยแป้งที่ได้จากการนำมะแมลง ให้เป็นผง100กรัมจะให้โปรตีนสูงถึง50กรัมในขณะเดียวกันนะครับที่เนื้อสัตว์อื่นๆจะให้โปรตีนที่30เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สำคัญแมเลงใช้วัตถุดิบและสร้างโมเลกุลให้โลกน้อยมากโดยการเพราะเลี้ยงแมลงจะปล่อยก๊าซเลือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอีกทั้งนะครับแมลงยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารที่อไร้กรด เ, เหมาะสำหรับคนแพ้กรดเต็นที่มีอยู่มากในปัจจุบันนะครับคุณฟังครับธุรกิจแมลงที่ได้รับ ที่รับประทานได้ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง400ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 12,000 ล้านบาทนะครับโดวยเอเชียเป็นตลาดหลักในการบริโภคและส่งออกนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 40% ของโลกซึ่ง5ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบริโภคแมาลงเติบโตถึงปีและประมาณ 20% และประเทศไทยก็เป็นตลาดที่มีการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลกและมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำฟาร์มเพาะเลี้ยงนะฮะซึ่งมีศักยภาพและเติบโตต่อไปอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงของเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวในวันนี้กับเรื่องราวของเทรนการรับประทานอาหารของโลกในปี2020นี้นะครับเทรนไหนกำลังมาเทรนไหนกำลังไปนะครับแต่ฟังดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเทรนอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพทางนั้นเลยนะครับคุณฟังที่จะมาในปี2020นี้นะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าผมมีเรื่องราวของเมนูนักคิดนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการ ต้มไข่นะครับว่าต้มไข่อย่างไรถึงจะได้แบบที่เราต้องการจะต้มไข่ยังมะตูมจะเป็นไข่ลวกหรือไข่สุกเต็มที่นะครับมีวิธีการต้มยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงเมนุนักคิดครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี コンペンドンナイスティーワンナイスパンミューコペンクライテルカウダイジャーシャンウィナティーティーポンカンダンジューグラントソープサイタカウアジョマティミケイドンニコラウェイラ ハイナンバーチークリーマンシャイウィラモンハイナンバーチークリーマンシャイウィラモンハイナンバーチークリーマンシャイウィラモンシャイウ コーアチェダンコーマーランチャーティ 「まっちょくてんういでんまい」「ちいちょいあいこちゃん」ขง เจนลิเวอรี่ช่วงเมนูนักคิดกลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงเมนูนักคิดครับวันนี้เมนูนักคิดครับผมมีเรื่องราวของการต้มไข่มาฝากคุณผู้ฟังนะครับหลายคนอาจจะอยากกินไข่ย่างมาตุม้มหรือ ต้มไข่แบบสุกไข่ไม่สุกไข่ลวกบ้างนะฮะวันนี้เลยมีวิธีการต้มไข่มาฝากคุณฟังในช่วงของมีนหนุนักคิดครับคุณฟังครับหลายคนรอคอยและอยากรู้กันแล้วนะครับว่าจะต้มไข่ให้ได้ตามที่ต้องการตามใจนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไข่ต้มยางมะตูมหรือไข่สุกต้องใช้เวลาต้มนานเท่าไหร่นะฮะ ถ้าเราต้มสองนาทีครับคุณผู้ฟังไข่ขาวก็ยังไม่สุกดีนักและไข่แดงก็ยังดิบอยู่หรือเราจะเรียกว่าไข่ลวกนั่นเองนะครับถ้าเราต้มนานสี <reference> ่นาทีไข่ขาวเริ่มสุกดีแล้วในขณะที่ไข่แดงก็ยังกึ่งสุกกึ่งดิบและเหลวอยู่หรือเราจะเรียกว่าไข่ต้มอย่างมาตุ่มนะครับถ้าเราต้มนานถึงหกนาทีครับคุณผู้ฟังไข่ขาวสุกเต็มที่และไข่แดงก็เกือบสุกแล้วแต่บริเวณกึ่งกลางยังเหนียวอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าต้มนานแปดนาทีไข่ขาวสุกเต็มที่และ ไข่แดงก็เกือบสุกแล้วเช่นกันแต่ยังอ่อนตัวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราต้มนานสิบนาทีทั้งไข่ขาวและไข่แดงจะสุกพร้อมกันอย่างเต็มที่หรือเราจะเรียกว่าไข่สุกนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้นำไข่ไก่ขึ้นมาจากน้ำร้อนแล้วครับคุณผู้ฟังก็ควรจะนำไปแช่น้ำในน้ำเย็นทันทีนะครับหรือหยุดการสุก ข, ของไข่ไก่เอาไว้ให้ได้ตามที่ต้องการเพราะอย่าลืมนะครับว่าความร้อนที่อยู่ภายในไข่ไก่นั้นยังคงแพร่กระจายอยู่นะฮะถึงแม้จะนำออกมาจากหม้อแล้วก็ ตามนะครับส่วนวิธีการปลอกไข่ครับคุณผู้ฟังปลอกไข่ต้มอย่างไรให้รู้สึกว่ามันแบบเฟอร์เฟกต์นะฮะมันไม่เละไม่เหลวหรือว่ามัน ไม่แตกนะครับโดยการเลือกไข่ไก่สดและไข่ไก่เก่ามีผลต่อการปอกเปลือกไข่ให้ออกมาสวยงามนะครับเพราะถ้าไข่ไก่สดใหม่จะมีค่าความเป็นกรดสูงครับคุณผู้ฟังซึ่งจะทำให้ไข่ขาวยึดติดกับเยื่อหุ้มมากกว่าไข่เก่าที่มีความเป็นกรดต่ำนั่นเองนะครับส่งผลให้เวลาปอกเปลือกไข่มักจะมีไข่ขาวติดออกมาด้วยแต่ก็ยังคงไม่มีใครอยากทิ้งไข่ขาวไว้จนเก่าแล้วค่อยนำไปต้ม เพียงเพื่อให้ปอกเปลือกออกได้ง่า ย, ายหรอกจริงไหมครับเทคนิคการปอกเปลือกไข่ต้มออกไง่ายก็คือก่อนนำไข่ไก่ไปต้มนะครับให้ใช้วัสดุแข็งๆหน่อยอย่างเช่นไม้ปลายแหลมหรือปลายสากหรือวัตถุที่มีความโค้งมนค่อยๆกระเทาะตรงไข่ให้เป็นรอยแตกเล็กๆแต่ไม่ควรกระเทาะจนแตกนะครับถึงเยื่อหุ้มภายในด้วยรอยแตกนั้นก็จะขยายขึ้นในระหว่างการต้ม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะครับความชุ่มชื่นในไข่ขาวก็จะค่อยๆแพร่กระจายออกมาผ่านรูเล็กๆบนเปลือกไข่และมีอากาศเข้าไปแทนที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มกับไข่ขาวซึ่งจุดนี้เองครับคุณผู้ฟังจะทำให้แกะเปลือกออกจากไข่ขาวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและหากคุณผู้ฟังไม่สามารถแกะเปลือกไข่บนครึ่งบนออกได้ก็ให้แก้ปัญหาโดยใช้ของแข็งอย่างเช่นหลังช้อนกระทอรอบเปลือกไข่กระทั่งเกิดเป็นรอยเล้า จนทั่วหลังไข่ต้มนะครับเสร็จแล้วก็นำไปแช่น้ำเย็นต่ออีกประมาณสามสิบนาทีจึงค่อยนำมาปอกเปลือกแล้วเปลือกไข่จะหลุดออกมาอย่างง่ายเหลือเชื่อนะครับ คุณฟังครับจากนี้ไปการต้มไข่ให้ได้ด่างใจที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นไข่ยังมาตูมหรือไข่สุกนะครับก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงเพื่อคุณทำตามขั้นตอนที่เรานำมาฝากวันนี้นั่นเองนะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในวันนี้กับเรื่องราวของเมนูนักคิดกับเป็นการคิดการปอกไข่การต้มไข่อย่างไรนะครับให้ได้ความสุขของไข่ตามต้องการนะครับลองอไปทำดูนะครับว่าจะได้จะได้ความสุขตามความต้องการของเราหรือเปล่านะครับอย่างที่ได้บอกไป กี่นาทีจะเป็นไข่ต้มกี่นาทีจะเป็นไข่ลวกนะครับหรือกี่นาทีจะเป็นไข่สุกก็ลองไปทำกันดูนะครับฟับงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามกันต่อกับเรื่องราวของขวีข้างครัวกันครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 จอทีวีขนาดใหญ่และไวไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทรศูนย์92 318 9887หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and Knowledge Center ศูนย์น ว, วัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน้นเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกไง่าย พวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่น อ, อกตรมมันนักต่อ น, นัดเตือนใจไวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ท่วงทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวัยเพชรไม่เสพสื่อยางสูงเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงกุยข้างครัว ครับมากับช่วงนี้ครับคุยข้างครัวครับวันนี้คุยข้างครัวอยู่กับผมนัทพลดีอุดนะครับแต่ก็มีเรื่องราวนะฮะมาฝากคุณฟังมาคุยข้างครัวกับคุณฟังเหมือนเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำเรื่องราวของพัฒนาการกับสุขภาพนะฮะมาคุยกับคุณฟังในช่วงของคุยข้างครัวนะครับคุณฟังครับการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองนะครับซึ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมมีน้อย เช่นกรรมพันธุ์นะฮะดังนั้นถ้าเราควบคุมปัจจัยต่างๆได้นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆ ก, การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง คนส่วนใหญ่ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในครอบครัวมีความสงบสุขดีคือมีสุขภาพจิตดีและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการเอาใจใส่ในเรื่องของโภชนาการนะครับถ้าสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้หมดสุขภาพดีทั่วหน้าก็คงจะไม่เกินความเป็นจริงนะครับคุณฟังครับโภชนาการนะครับพูดง่ายๆก็จะหมายถึงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วร่างกายนำเอาไปใช้เพื่อการทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอของอวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นหัวใจปอดนะครับนอกจากนี้อย่าง นำไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตของร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอของร่างกายนะครับเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นประเภทนะฮะโดวยอาศัยหลักทางพุทธชันการได้อย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของร่างกายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับโดยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเมื่อเรารับประทานเข้าไปร่างกาย ร่างกายจะเผาผลาญทำให้เกิดพลังงานได้นะครับส่วนพวกวิตามินเกลือแร่และน้ำจะเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญนะฮะที่ทำให้วงจรการทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินไปได้ตามปกตินะครับดังนั้นครับคุณฟังเราทุกคนถ้าหวังที่จะให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีก็ควรจะต้องสนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัต ตามวิธีการรับประทานอาหารให้ถูกหลักพุทธนาการไม่มีใครมาช่วยท่านได้ครับผู้นิฟังถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคนควรชั่งน้ำหนักตัวเองอย่างน้อยเดือนละครัครบถ้าผอมไปก็กินอาหารที่มีประโยชน์น้ำหนักจะได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าอ้วนไปก็กินให้น้อยลงร่วมกับการออกกำลังกายที่มากขึ้นนะครับไม่ละเลยตัวเองถึงขั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความอ้วนหรือความผอมนะครับ ด้วยกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละวันนะครับคุณผู้ฟังจำเป็นต้องการใช้พลังงานเป็นอย่างมากนะครับและสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อการรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับดูยพัฒนาการนะครับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะครับหากสภาพร่างกายได้รับ อาหารที่มีสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการนะครับร่างกายของเราก็จะสามารถนำอาหารเหล่านี้ไปใช้ให้ได้อย่างเต็มที่เรียกว่าภาวะ ผู้ชนะการที่ดีนะครับแต่ถ้าร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะเรียกว่าภาวะผู้ชนะการไม่ดีหรือทุพผู้ชนะการนะครับด้วยภาะวะผู้ชนะการต่ำนะครับคุณผู้ฟังเป็นสภาะวะของร่างกายที่ขาดสารอาหารได้รับสารอาหารต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการหรือรับประทานอาหารที่ไม่ได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆนะครับทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารนะครับส่วนภาะวะผู้ชนะการเกินก็เป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยได้รับอาหารหรือสารอาหาร เกินความต้องการของร่างกายทำให้เกิดการสะสมจนเกิดโทษแก่วร่างกายนะครับโดยผลทางร่างกายของภาวะพัฒนาการนะครับต้องบอกว่าขนาดร่างกายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดของร่างกายได้แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่สภาพแวดล้อมเช่นการรับประทานอาหาร เราสามารถปรับปรุงได้นะครับโดยเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายนะครับก็จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นปกตินะครับและภูมิต้านทานของโรคนะครับผู้ที่รับสารอาหารครบถ้วน ตามความต้องการของร่างกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของโรคต่างๆได้หากเราได้รับเชื้อก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วนะฮะไม่แก่ก่อนไวัยอายุยืนนะครับเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันกรโรคความเสี่ยงที่จะเกิดต่อการเสียชีวิตก่อนไวัยอันควรก็จะลดน้อยลงนะครับและที่สำคัญนะครับผู้ชนะการมีผลต่อสติปัญญาและอารมณ์นะครับคุณผู้ฟังด้วยการรู้จักการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีส่วนทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านสมองและสติ ยาที่ฉะเฉลียวฉลาดอารมณ์แจ่มใสกระตือรือร้ น, นปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายผิดกับผู้ที่รับประธานอาหารไม่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายอ่อนแอพัฒนาการด้านสติปัญญาลดลงนะครับอารมณ์หดหูไม่แจส่มใสจนบางครั้งอาจไม่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับซึ่งการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพก็จะส่งผลต่อภาวะผู้ชนะการของร่างกายนะครับโดยการที่เรารับประธานอาหารให้ครบห้าหมู่ทุกวันไม่รับอาหาร ไม่รับประทานอาหารที่ซ้ำซากนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบตามต้องการนะครับซึ่งการรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้บริโภคนะครับอาหารปนเปื้อนได้จากหลายสาเหตุนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือปนเปื้อนจากเชื้อโรคปนเปื้อนจากพยาธิต่างๆหรือสารเคมีหรือสารพิษที่ปนเปื้อนนะครับหรือโลหะหนักที่เป็นอันตรายทั้งอาจเกิดจากกระบวนการการ การผลิตกระบวนการการปรุงการประกอบอาหารต่างๆนะครับและการจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมอย่างเช่นเป็นร้านค้าแผงลอยริมบ่าทวิถีมีการใช้สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการใช้สารเคมีในการถนอมอาหารนะครับการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมากๆนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นหลักการในการเลือกกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน การใช้สารเคมีกำจัดสัตว์พืชในปริมาณมากมากนะครับซึ่งเหตุผลเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยในการปนเปื้อนของอาหารนะครับซึ่งหลักการในการเลือกกินอาหารที่สะอาดปัดจากการปนเปื้อนเราก็ควรเลือกกินอาหารที่สดสะอาดผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับคุณฟังมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมีกลิ่นมีรสและสีสันตามธรรมชาติในการปรุงอาหารในครัวเรือนก็ควรเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดมารับปรุงนะครับล้างทำความสะอาดก่อนนำไปปรุงไปประกอบอาหารและที่สำคัญนะครับก็ ก็ใช้ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยล้างเก็บถูกสุขลักษณะและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะนั่นก็คือล้างมือก่อนบริโภคใช้ช้อนกลางรวมถึงการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จอาหารถุงก็ควรเลือกซื้ออาหารจากร้านจำหน่ายอาหารหรือแผงลอยที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่มีการปกปิดป้องกันแมเลงวันบรรจุในภาชนะที่สะอาดปลอดภัยมีการใช้อุปกรณ์หยิบจับหรือตักอาหารแทนการใช้มือหยิบจับโดยตรงนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังการรับประทานอาหารก็ส่งผลต่อภาวะผู้ชนะการของร่างกายเหมือนกันนะครับโดยการรับประทานอาหารไขามันพอเหมาะเพื่อป้องกันการสะสมไขมันมากเกินไปนะครับหากเรารับประทานอาหารที่มีเส้นใยอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังก็จะช่วยระบบขับถ่ายนะครับรวมถึงลดไขมันในเลือด ควรกินใยอาหารอย่างสม่ำเสมอใยอาหารก็จะทำให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นไปตามปกติและป้องกันโรคได้หลายชนิดนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็ควรระมัดระวังการรับประทานอาหารที่มีสารกรอมางมะเร็งอย่างเช่นอาหารประเภททอด ย่างเผาหรืออาหารไม่เค็ยมนะครับลดปริมาณและระดับการรับประทานอาหารลดจัดอย่างเช่นหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารและที่สำคัญอาจจะก่อโรคอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตโรคกระเพาะหรือโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยนะครับและเราก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และน้ำหมัดลม เพราะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคตับแข็งโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคมะเร็งฟันผุนะครับโรคเบาหวานนะครับซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคตับแข็งโรคกระเพาะนะครับและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบียร์สุรา ไวน์แบรนดีกาเช่ต่างๆอีกมากมายนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์、G、เราจึงควรหลีกเลื่องเครื่องดื่มดังกล่าวนะครับและที่สำคัญระวังในเรื่องของการดื่มเหล้าแม้ว่าเหล้าจะเป็ น, นสิ่งที่กินไปแล้วจะถูกเผาผลาญให้พลังงานได้ก็จริงแต่เราก็ไม่จัดเหล้าเป็นสารอาหารนะครับเพราะผลที่ได้ไม่คุ้มกับอันตรายที่เหล้าคุกคามสุขภาพนะครับโดยคนติดเหล้ามักเป็นโรคขาดสารอาหารได้หลากหลายชนิดอย่างเช่นโรคขาดโปรตีนและแคลอรี่โรคเหน็บชา เมื่อกินเหล้าเข้าไปนานๆตับจะถูกลำทำลายนะครับยิ่งทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับนอกจากลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราก็ควรกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์ไข่นมและถัว่วเมล็ดแห้งอาหารประเภทนี้จะให้โปรตีนไขมันวิตามินรวมถึงเกลือแร่นะครับและอาหารจำพวกข้าวเผือกมันและน้ำตาลก็จะให้พลังงาน และคุณภาพของโปรตีนด้อยกว่าพวกเนื้อสัตว์นะครับเฉพาะน้ำตาลให้แต่กำลังงานอย่างเดียวนะครับผักและผลไม้ให้วิตามินและเกลือละแร่หลายชนิดตลอดจนใยอาหารด้วยนะครับส่วนไขมันเป็นแหล่งอาหารที่ให้กำลังงานที่ดีนะครับและน้ำมันพืชบางชนิดก็ให้กรดไล โนเรอิต、no、ด้วยนะครับในแต่ละวันนะครับถ้าเรากินอาหารครบทั้งห้าหมู่ให้ครบถ้วนโอกาสที่จะขาดสารอาหารย่อมเป็นไปได้ยากและไม่ต้องไปหายาบำรุงมากินให้เสียเงินนะครับโดวยการกินอาหารแต่ละหมู่ให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายรับสารอาหารต่างๆครบในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการหากเรากินอาหารไม่ครบทั้งห้าหมู่หรือกินอาหารซ้ำซากเพียงบางชนิดทุกวันอาจทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอหรือมากเกินไปนะครับเรามันดูแลน้ำหนักตัวของเราด้วยเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ ที่สำคัญที่บอกถึงสุขภาวะของสุขภาพนะครับแต่ละคนจะต้องมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามวัยและได้สัด ส, ส่วนกับความสูงของตัวเองนะครับด้วยการรักษาน้ำหนักตัวการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ โดยการกินอาหารให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือผอมไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายประสิทธิภาพการเรียนและการทำงานก็จะได้อยลงกว่าปกตินะครับหากมีน้ำหนักมากกว่าปกติหรืออ้วนไปก็จะมีค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งบางชนิดนะครับดุลทุกคนควรชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเดือนละครั้งเพื่อประเมินว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะครับใน เด็กให้ใช้ค่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุหรือค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับส่วนในผู้ใหญ่นะครับให้ใช้ดัชนีมวลกายเป็นเกณฑ์ค่าระดับ 18.5 ถึง 22.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติค่าต่ำกว่า 18.5 ถือว่าผอมนะครับหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่าจะอยู่ระหว่างที่23ถึง 29.9 น้ำหนักเกินหรืออ้วนค่าตั้งแต่30ขึ้นไปถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับคุณฟังครับพวกเราอาจจะ บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะครับแต่ข้าวถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการให้พลังงานและเป็นสารอาหารที่มีคาร์โบไฮเดทและโปรตีนนะครับโดยเฉพาะเข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือก็จะมีสารอาหาร สงกวาขาทเมื่ถอม Workers. โ According, from their products including protein, alc bri mulle, a يع 律 or Oct Slack and other foods regarding food, 和 Waitam Keyboardang preparer qual calculations for variety of products, bestal137. fünf, człowie32, 요 �isch Oualloyas Ceng, Dota5. jeße Auswina, aaddic shrimp from Thailand to district other foods. social choice of different food conditions inحدования with becasual choices, a roll-by-slam what is on it, feed and drive. อ่าค่าสูงกว่ากันมากนะครับและที่สำคัญนะครับการกินน้ำตาลก็ควรกินแบบแต่แต่พอควรนะครับโดวยการกินน้ำตาลมากๆมีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังโดยเด็กที่กินเบา อ, อ่าเด็กที่กินของหวานมากๆอมลูกกวาดมากๆและท็อฟฟี่โดยไม่แปรงฟันนะครับก็จะเป็นโรคฟันผุซึ่งมีผลทำให้การกินอาหารเปลี่ยนไปได้ไม่ดีและนอกจากนี้คนที่กินหวานมากๆจะมีความอ้วนและไตกรีนเซอร์ไลน์ในเลือดสูงนะครับและควรบริโภคผัก ผลไม้มากมากนะครับเพราะว่าผักผลไม้เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีใ ย, ยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายช่วยนำคอเลสเตอรอลและสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกายนะครับพืชผักผละไม้ที่ให้พลังงานต่ำก็จะไม่เกิดโรคอ้วนนะครับและเราก็ควรกินพืชผักผลไม้ทุกมื้อให้หลากหลายสลับกันไปครับคุณผู้ฟังส่วนผลไม้ก็ควรกินอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะหลังการกินอาหารแต่ละมือ้อและ กินเป็นอาหารว่างนะครับและอาหารประเภทโปรตีนครับคุณฟังที่เราควรรับประทานนั่นก็คือกินปลากินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่ถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำนะครับปลาหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะปลาเป็นโปรตีนดีที่ย่อยง่ายมีไขมันตำ่ำหากกินปลาแทนเนื้อสัตว์เป็นประจำจะช่วยลดปริมาณไขมันในโลงหิต ในปลาทะเลน้ำลึกก็อาจจะมีสารไอโอดีนที่ช่วยป้องการันการขาดสารไอโอดีนได้นะครับส่วนเนื้อสัตว์ก็ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเพื่อลดการสะสมไขมันในร่างกายไข่เป็นโปรตีนราคาถูกปรุงง่ายเด็กก็ควรกินไข่วันละฟองผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้ชนะการปกติก็ควรกินไข่สัปดาห์ละสองถึงสามฟองควรกินไข่ที่ปรุงสุกแล้วด้วยนะครับส่วนถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ทำมาจากถัว่วอย่างเช่นเต้าหู้เต้าเจี้ยวน้ำนมถั่วเหลืองขนม ขนมถั่วกรวดก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกเช่นกันสามารถหารับประทานได้นะครับและนมก็ควรดื่มให้เหมาะสมตามวัยนะครับเพราะนมเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญคือแคลเซียมฟอสฟอรัสที่จะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงมีโปรตีนและวิตามินต่างๆช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, โตทำให้เนื้อเยื่อต่างๆทำหน้าที่ปกตินะครับรวมถึงหญิงตั้งครรภ์เด็กวัยเรียนวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับก็ควรดื่มนมวันละหนึ่งถึงสองแก้ว ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงชะลอการเสื่อมสลายของกระดูกนะครับระวังอาหารประเภทไขมันนะครับกินอาหารที่มีไขมันแต่ พ, อ, อ, พอควรนะครับเพราะไขมันให้พลังงานและความอบอุ่นให้กดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยการดูดซึมของวิตามินที่ละลานในไขมันนั่นก็คือวิตามินเอ วิตามินดีวิตามินอ、e, ีรวมถึงวิตามินเคด้วยนะครับแต่ไม่ควรกินไขมันมากเกินไปเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมาอย่างเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงนะครับวิธีการประกอบอาหารนะครับก็มีส่วนที่ทำให้ปริมาณไขมันในอาหารเพิ่มขึ้นได้เช่นกันอย่างเช่นวิธีการทอดชุบแป้งทอดผัดน้ำมันและอาหารที่มีกระถิ่นนะฮะดังนั้นเราควรกินอาหารประเภทเหล่านี้แต่พอควรนะครับด้วยการประกอบอาหารด้วยวิธีการต้มการนึ่งการปิ้ง การย่างจะมีไขมันน้อยกว่าก็ควรเลือกวิธีเหล่านี้ไปประกอบอาหารนะครับเพราะการกินไขมันในขนาดที่พอเหมาะนะครับไม่กินไขมันมากเกินไปและต้องกินไขมันที่มีน้ำมันพืชที่ให้กรดไลโนเลอิกเป็นประจำด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดกินอาหารรสจัดมากจนเป็นนิสัยก็จะเกิดโทษต่ตอร่างกายครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นรสหวานจัดเค็มจัดการรับประทานหวานจัดก็จะเป็นนิสัยที่ทำให้ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ในเด็กที่จะทำให้ความอยากอาหารลดลงเบื่ออาหารฟันผุการกินอาหารรสเค็มจัดที่ได้จากเกลือแกงมากกว่าหนึ่งช้อนชาต่อวันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและหลีกเลี่ยงการเติมรสปรุงรสต่างๆนะครับและไม่ควรกินโซเดียมมากเกินไปนะครับซึ่งโซเดียมเหล่านี้นะฮะมีมากในเกลือนอกจากนี้ยังพบในอาหารธรรมชาติอย่างเช่นเนื้อสัตว์นมสารอาหารบางชนิดที่ใช้ในการปรุงอาหารอย่างเช่นผงชูรส ผงฟูผู้ที่กินโซเดียมมากๆมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่กินโซเดียมน้อยนะครับนี่คือเรื่องราวของผู้ชนะการกับสุขภาพรวมถึงการรับประทานอาหารต่างๆที่จะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารพเพียงพอไม่เป็นโรคขาดสารอาหารนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยนะครับจากนายแพทย์วราวด์เจริญเสรีจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพครับคุณฟังครับนี่คือเรื่องราวของคุยข้างครัวที่ผมนำมาคุยคุณฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณฟังช่วงหน้า ม, มาติด ตามกันต่อกับช่วงเปิดหม้อนะครับวันนี้เปิดหม้อผมมีเรื่องราวของสูตรอาหารยำตะไคร่นะครับช่วยลดความดันโลงหิตสูงตามฉบับของแพทย์แผนไทยมาฝากคุณฟังกันครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 สนับสนุนรุ่นใหญ่ไว้เพชรรู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยายลัยมหิดล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 กลับมากับช่วงสุดท้ายกับช่วงเปิดหม้อนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาเปิดหม้อคุณฟังนะครับกับสูตรอาหารยำตะไคร้ลดความดันโลหิตสูงตามฉบับแพทย์แผนไทยนะครับคุณฟังครับแพทย์แผนไทยแนะนำการเสริมเกราะป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้วยพืชสมุนไพรผักพื้นบ้านชูเมนูอาหารทำง่ายยำตะไคร้ป้องกันและลดภาวะความดันโลหิตสูงนะครับคุณฟังครับสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนะครับโดยนายแพทย์สอระพงริดรักษา อรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะรองโฆษกกรรมการการแพทย์แผนไทยกล่าวนะครับว่าโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับโดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารรสเคม็มสูบบุหรี่ติดสุราโรคเบาหวานผู้ที่มีรูปร่างอ้วนผันทุกกรรมขาดกำการออกกำลังกายนะครับโดยอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับคุณผู้ฟังอาการของโรคความดันโลหิตสูงจะแสดงอาการเมื่อถึง ขั้นวิกฤตมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานอาการที่พบนั่นก็คือปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยในตอนเช้าอาการขึ้นไส้อาเจียนบางรายอาจตาผ้ามัวร่วมด้วยนะครับหากมีอาการรุนแรงหรือความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจมีอาการเลือดกำเดาไหลเหนื่อยง่ายและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับทางนี้คนปกติจะมีความดันโลงหิตอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบทัพ แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบทับเก้าสิบนะครับหากอาการสูงกว่านี้ทั้งตัวบนและตัวล่างจะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ด, ด้วยนะครับโดยสูตรอาหารไทยที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้นั่นก็คือยำตะไคร่นะครับคุณฟังเนื่องจากสาเหตุหลักๆของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นก็คือมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะครับดังนั้นการนำพืชผักผลไม้ พื้นบ้านมาปรุงเป็นอาหารเพื่อป้องกันการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงอย่างเช่นยำตะไคร์อย่างเช่นตะไคร์ใบวัวบกใบหญ้านางมะรุมกระเจีย๊ยบกระเทียมขิงหม่อนกระเพรานะครับเหล่านี้ถือเป็นพืชที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับโดวยเมนูที่จะมาแนะนำวันนี้บอกไปแล้วว่ายำตะไคร์นะครับเนื่องจากตะไคร์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีและสามารถหาได้ง่ายตามชุมชนตามตลาดนะฮะและตะไคร์มีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะแก้อาการขัดเกลาร์ซึ่งมีผลช่วยลดความดันโลหิต ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยวิธีการมทำยำตะไคร่ก็ไม่ยากนะครับนำโปรตีน100ก ร, รมัมนั่นก็คือหมูไก่หรือปลาก็ได้ที่สุกแล้วผสมกับตะไคร้ซอย6ต้นหอมแดงซอย2หัวพริกขี้หนูซอย2เม็ดน้ำมะเด า, น, าน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคุณฟังตักใส่จานโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วและใบสะระแหน่นะครับ เสริมน้ำสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตได้แก่น้ำใบบวัวบกน้ำตะไคร้น้ำใบเตยหรือน้ำขิงก็ได้นะครับส่วนยาสมุนไพรที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาตินั่นก็คือยาหญ้าหนวดแมวและยากระเจี๊ยบแดงยาทั้งสองชนิดมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะลดความดันโลหิตแต่ยาทั้งสองชนิดนี้ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีการทำงานของหัวใจและไตบกพร่องเนื่องจากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงอาจทำให้อาการของโรคหัวใจและโรคไตกำเริบได้นะครับและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยลดความ ดันโลหิตสูงได้นั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังพักผ่อนให้เพียงพอจำกัดการบริโภคอาหารรสหวานจัดเค็มจัดและอาหารไขมันสูงหากิจกรรมนาฏนาการผ่อนคลายความเครียดอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำแล้วอะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถคลายเครเียดได้นะครับเหล่านี้ก็จะช่วยลดโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ถังเลือกครับคุณผู้ฟังครับและวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับรายการ ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้อาจารย์นัชรัตน์ไม่ได้มาคุยกับเรานะครับแต่ว่าผมก็มีเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังครบทั้งสี่ช่วงของรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังผมต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์ตนะครับ กลับมาพบกันใหม่ได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับลากันไปเลยครับสวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็ม 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ใจムハミワイテンティーディーディーディーディーディディーディーディーディーディーディーディィーデディーディーディーディーディーディーディディーディーディーディーディ カีソン、クランナน大王愛、ウンドンフィンハム大家、コンディアウ。メラント、カムソン、ジャン่อー、ミトแン、ジョンディ、ガンドイ、メイヨンハク、ラ、シンカ、アンエ、メロディ、งไปได้ดีและฉันนั้นเข้าใจ